ผู้เ อ, อื้อิ่มในธรรมพระพุทธภาสิทธ์ผู้เ อ, อิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องสายย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทําทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุด ข, ของมนุษย์มองเพลินๆดูเหมือนว่า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 เรียกชานาสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤตินั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลําดับรวมโดยย่อว่าโลกีสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกีสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กรรมเป็นต้นย่อมเจืออยู่ในทุกไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนัก ส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วพระณีรกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางการอันปุตชนพากันหลงไหลหมัวเมามากนักจนถึงต้องทําความชั่วเพราะกวามเป็นเหตุเป็นปัจจัย ก, ก็มีอยู่เนือง พระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากการแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแก่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามีสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องยอดดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูก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 ขณะเดินทางกลับได้พบพัญญาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์หให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากหรือการน้นองหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเทา่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าผู้เดียวจักคาที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระประเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเศรษฐุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าด่านิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าพัานรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างพระลัมใหญ่กลางบ้านให้ภูอาสนะไวเรียบร้อยเลี้ยงพระประเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จพัชกิจแล้ว นางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัส ก, การพระปัเจกขุพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จํารรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็ป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านใช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษาน า, นางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายกีวรแก่พระประเจกขุพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระประเจกขุพุทธเจ้าอนโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทําบุญอย่างนี้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 เมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตาฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุดุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุดุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอนากริจของพวกเราเถิดเราควรจะทําอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่า เราต้องอยู่ในสภาพอนนาเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาชนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออกพันหนึ่งบริวารออกคนละห้าร้อยพวกผู้หญิงออกสองร้อยห้าสิบทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาชนะเสร็จแล้ว ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันจากจีวรถวายสงฆ์สองหมือนรูปปัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาและผ้ามีสีดอกอังกราราคาพันหนึ่งแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งฐานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุดดอกอังกาในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอะโนชาพระศาสดาทรงนอนุโมทนา ชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้ว เ, เกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนาว่าโคดมของเหล่านี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกหัวหน้าโคดมพีเกิดในราชตระกูลในกุกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนาว่ามหากรกฏีณนะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาร์ได้เป็นราชบริวารส่วนพญายของหัวหน้าโคดมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาขละแวนมัถะ พระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามวา่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเสกสมรสกับพระราชาพระนามวา่ากัปปินะแห่งกุกุฏตวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่ง พระราชาทรงมาชื่อสุ ป, ปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตทพันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารพ่อพระเนรเห็นพวกพ่อ้ามาประมาณห้าร้อมีอาการอ่อนเพลียทรงดําริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อ้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่าน พระราชาตรัสถามไม่มีพระยาค่ะพอคามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่า น, นั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิธีทั้งห้าทรงตื่นตันพระไทยทรงถามซ้ำทั้งสามครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พอค้ามาเหล่านั้นสามแสน ข้าที่นําข่าวรัตนะทั้งษามาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอำมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจากเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอำมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอนุชาเทวีว่าให้พระนางสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อคามาให้นําไปถวายพระเทวี พวกอมานก็เขียนสารถึงพัญญาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อามาทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้า ว, วันนั้นพระบรมศาสตาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากักปีนะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหันตผลแล้ว จึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากับปินะสิ้นระยะทางหนึ่งร้ยยี่สิบโยต์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาขาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออาระวะปัตฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามวัวคิดหาเรือหรือแพอยู่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 มาทางหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีลวาหนาะทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภ า, าคเจ้าตรัสไปดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วส่งน้อมพระมนต์อธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามไป น, น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนธเ็นรัสมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไซมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดมริว่า แสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันท์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรมเป็นต้นการที่เราออกบทอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจากทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับไปแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระราศมีเสด็จเข้าภายใต้พระราศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้ว ประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตะทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุธพิถาเมื่อจบอนุปุธพิธะพระราชาและบริวารได้สําเร็จโสดาปันติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงไคร่ครวญว่าบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามี เพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปเกพุทธเจ้าและพระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าประมุกในสมัยแห่งพระพุทธญาพระนาว่า ก, กัสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาดและจีวร อ, อันสําเร็จกรีติจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเยียดพระหัตต์ออกพลังตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิด กุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินาเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อคามานําความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื้นไปด้วยพระปิติโสมนัตพระราชาทานทรัพย์ให้พ่อคามาครั้งละสามแสนสามครั้งรวมเก้าแ0นรวมทั้งที่พระราชาพระราชาทานด้วย เป็นสิบสองแสนคนเหล่านั้นได้รับทรย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนุชาเทวีทรงดาริว่าการที่ยอมรับราชาสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจะทาได้ ราชสมบัตินี้ได้นำทุกขมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกขมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบทอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาของพวกอมาตะทราบแม้ปัญญาของพวกอมาตะเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบทตามเสด็จเสด็จข้าแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมมา้า โดยทํานองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิตพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เอง หญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจะได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปุพิกถรามีฐานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วส่วนพระมหากรรณาธิระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเอง พระศาสดาทรงทราบ ด, ดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มีให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีสะโลนนุ่งข่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อผูกเธอได้บรรลุโสดาปติผลแล้ว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 จะนั่งยืนเดินหรือนอนณนะที่ใดก็าตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนําความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าว่ากัปปินะ จะยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบกามาสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารบกามาสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัรพินาบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารบกามาสุขไม่แต่เพราะปรารบ เนคั ม, มสุขนิพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาสิตว่าธรรมปีติสุขังเซติเป็นอาทิมีนัยยะดังพน า, นามาแล้วแต่ต้น